ตึกเรียนสยองแทบชานเมืองย่านบางบอลสัมผัสสยองปีพศ2558ณตึกตึกหนึ่งในโรงเรียนย่านบางบอลผมและเพื่อนสนิทของผมชื่อนัทกำลังนั่งคุยกัน พร้อมดูเพื่อนคนอื่นๆกําลังซ้อมการแสดงเข้าค่ายลูกเสืออยู่ผมกับนัดไม่ได้แสดงเพราะได้เป็นคนไปตีกลองเปิดงานการเข้าค่ายช่วงนั้นก็ว่างมากเลยจำคำที่ครูดนตรีพูดได้ว่าถ้าว่างก็ให้ขึ้นไปซ้อมกลองเพราะมีรุ่นพี่คนอื่นๆซ้อมด้วยผมและนัดก็ไปขอครูประจำชั้นขึ้นไปซ้อมกลอง ระหว่างเดินไปก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยทุกอย่างก็ดูปกติดีจนเดินไปถึงชั้นหผมกับนัดก็ได้ยินเสียงของกำลังตีเป็นเพลงผมเลยหันไปบอกกับนัดว่าสงสัยจะมีคนกำลังซ้อมอยู่วะ่ะพอเดินขึ้นไปถึงชั้นหกก็ได้ยินเสียงของระนาดหิมบรรเลงเพลงอยู่ก็ทําให้อุ่นใจ คิดว่ามีคนซ้อมอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องซ้อมกันแค่สองคนฮอก้าวมาถึงจุดพักบันไดระหว่างชั้น6กับชั้น7เสียงทุกอย่างกลับเงียบลงไปหมดผมกับนัดก็หันมามองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพวกเราเดินต่อขึ้นมาจนถึงชั้นสุดท้ายคือชั้นเจชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายที่อนุญาตให้นักเรียนสามารถขึ้นไปได้ แต่จริงๆแล้วก็ยังมีชั้น8อยู่แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนขึ้นไปชั้นนั้นมีเครื่องปั๊มน้าและอะไรอีกสารพัดซึ่งมีเรื่องเล่าของชั้น8ตึกนั้นว่าเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปวิ่งเล่นที่ชั้น8และพลัดตกลงไปในแทงน้ำเธอคนนั้นพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนเสียชีวิตตายในแทงน้านั้นและบางครั้ง ก็มักจะมีคนได้ยินเสียงผู้ยิงร้องไห้เสือื่นแต่หาแหล่งที่มาของเสียงนั้นไม่ได้ทางโรงเรียนก็เลยปิดชั้นนั้นไม่ให้ใครขึ้นไปอีกเพราะผมและนัทขึ้นมาถึงชั้นเจไม่เห็นภาพตรงหน้าแล้วตอนนั้นใจผมลนไปถึงตะตุ่มคน ล, ลุกสู้แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าห้องดนตรีไทยที่ได้ยินเสียงมาตั้แต่ชั้นห้าชั้นห กับกลายเป็นห้องเปล่าๆที่ล็อกอยู่ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยพวกเราเห็นกุญแจล็อกจากทางด้านหน้าของประตูห้องดนตรีไทยแต่ห้องถัดไปนั้นเป็นห้องกีตาร์ซึ่งเปิดอยู่ผมก็เลยพูดกับนัดว่าสงสัยเขาซ้อมในห้องกีตาร์หรือเปล่าวะพวกเราเดินไปแต่ยังไม่ทันพ้นประตูห้องดนตรีไทยก็ได้ยินเสียงจะเค ดีดออกมาจากห้องนั้นหนึ่งครั้งทำให้ขาของพวกเราแทบก้าวกันไม่ออกตอนนั้นสติกับใจไม่อยู่กับตัวแล้วแต่ก็พยายามฝืนเดินไปห้องข้างๆพอไปถึงห้องกีตาร์ผมชะโงกหน้าเข้าไปดูในห้องก็ปรากฏว่าห้องนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนไม่มีเครื่องดนตรีไทยในห้องนั้นสักเครื่อง กีตาร์ทุกตัวก็วางอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยผมและนัดแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันเลยมองหน้ากันก็รู้แล้วว่าต้องทํายังไงกันต่อแล้วพวกเราก็รีบวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ววิ่งชนิดที่ว่าไม่กลัวจะตกบันไดกันเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอให้ไปถึงชั้นล่างให้เร็วที่สุดพอพวกเราลงมาถึงชั้นล่าง เงือก็แตกท่วมตัวกันทั้งครูแล้วผมกับนัดก็ไปเล่าให้เพื่อนๆและครูฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยมีแต่ผมกับนัดเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึนหนึ่งปีผ่านไปผมขึ้นชั้นมหนึ่งก็ต้องย้ายไปเรียนอีกตึกหนึ่งซึ่งความเฮียนและเรื่องเล่าของตึกนี้ก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียว ผมอยู่มาได้ระยะหนึ่งก็ยังไม่เห็นจะเจออะไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมต้อของขึ้นไปเก็บบนตึกตอนช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งซึ่งบนตึกนั้นแทบจะไม่มีคนแล้วนอกจากแม่บ้านกับครูผมเดินขึ้นไปคนเดียวบริเวณนั้นบรรยากาศเงียบมาและค่อนข้างมืดเพราะห้องที่ผมจะไปนั้น มันอยู่ฝั่งที่แสงอาทิตย์สาดส่องไปไม่ถึงพอไปถึงห้องผมก็ไขกุญแจเข้าไปแล้วเปิดไฟห้องนั้นจะมีประตูกระจกอยู่ชั้นในและประตูไม้อยู่ชั้นนอกผมรีบเก็บของอย่างรวดเร็วพอเก็บเสร็จก็รีบปิดไฟออกจากห้องแต่ผมปิดประตูกระจกชั้นในไม่สนิทมันก็ค้างอ ย, อย่างนั้นเพราะผม ไม่กล้าที่จะมองกระจกเวลาปิดมันจะสะท้อนเห็นเงาของตัวผมและผมก็กลัวจะเห็นเงาอย่างอื่นด้วยจึงรีบปิดประตูไม้ระหว่างที่ล็อกประตูไม้อยู่นั้นก็มีเสียงของประตูกระจกดังขึ้นมาบรรยากาศในตอนนั้นมันทำให้ผมแทบบ้าอยากจะหนีไปให้ไกลจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเสียงที่ดังนั้นมันคือ เสียงประตูกระจกที่ผมปิดไม่สนิทอยู่ๆมันก็เลื่อนมาปิดเองตอนนั้นไม่มีลมจริงๆผมสาบานได้มือผมมันสั่นไปหมดเหมือนเจ้าเข้าขณะที่เอากุญแจคล้องรูอยู่นั้นมันก็ไม่เข้ารูสักทีคล้องไปก็สั่นไปจนสุดท้ายก็คล้องเข้า ซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวดเดียวกันกับที่ผมเห็นเงาดำๆมาจากทางด้านหลังผมเงานั้นมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆผมไม่กล้าหันไปมองเพราะผมล็อกประตูเสร็จผมก็หลับตาวิ่งส10ิบคูณร้อยเมตรวิ่งทะลุผ่านสิ่งสิ่งนั้นไปจนมาถึงตอนนี้เวลานี้ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆสมผัสสย